ใครอยากจะถามอะไรไมมีคำถามมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจ เ, เกิดมาทำไมเกิดมาได้อย่างไรรู้หรือเปล่า อ, อ, อะไรทำให้มาเกิดเกิดมาแล้วควรจะทำอะไรดี ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีใครรู้คำตอบที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่รู้คำตอบของคำถามสองคำถามนี้ว่าเราเกิดมาได้อย่างไรแล้วเมื่อเกิดมาแล้วเราควรจะทำอะไรกับชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เหตุที่พาให้เรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทําให้เราต้องมีร่างกายพอทักมีร่างกายก็จะก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายที่เราเอาไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้วผลทพะได้ เวลาเราได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ที่เราอยากจะสัมผัสนี้พอเราได้สัมผัสแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาทำให้เราติดกับความสุขแบบนี้เพราะความสุขแบบนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดมันได้มาแล้วมันก็หายไปหมดไปไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวพอหมดไป ใจที่อยากจะมีความสุขแบบนี้ก็ต้องหามาเพิ่มต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆของทุกอย่างที่เราเสพผ่านทางร่างกายนี้เป็นเหมือนยาเสพติดทั้งนั้นละครที่เราดูเพลงที่เราฟังสถานที่เราไปเที่ยวคนที่เรารักเราชอบเป็นยาเสพติดที่เราต้องมีถึงจะมีความสุข เวลาเราขาดสิ่งเหล่านี้ไปเราก็เศร้ากันเสียใจกันทุ ก, กันเราก็เลยต้องเดินลนหาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความสุขอยู่ได้เรื่อยแต่ต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงายก็ตามมันก็จะต้องมีวันที่จะต้อง ไม่สามารถหามาได้หรือไม่สามารถเสด็ันได้เช่นร่างกายต่อไปก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเจ็เบไข้ได้ป่วยหรือตายไปตอนนั้นความสุขก็ไม่สามารถจะหาได้เพราะร่างกายไม่มีกำลังวังชาหรือไม่มีสมรรถภาพความสามารถ เวลานอนเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไปไหนไม่ได้อยู่นอนอยู่กับเตียงยิ่งเวลาตายก็หมดเลยจบความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจที่เป็นอีกคนหนึ่งใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคน ร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายใจใช้ร่างกายเป็นเป็นคนใช้คนรับใช้ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นลดมาให้กับใจพ อ, อร่างกายคือคนรับใช้ตายไปใจก็ต้องไปหาคนรับใช้ใหม่เหมือนสมัยนี้เรามีคนเด็กรับใช้ที่บ้านใช้มาช่วยทํางานที่บ้าน วาดทงบ้านซักเสื้อผ้าทำอะไรต่างๆพอคนรับใช้เขาลาออกไปเราก็ต้องนั่งเราก็ต้องหาคนรับใช้คนใหม่เวลาไม่มีคนรับใช้เราก็เดือดร้อนเราก็ทุกข์กันเวลาเราไม่มีร่างกายหรือมีร่างกายที่ไม่สามารถรับใช้เราได้เราก็ทุกข์กัน เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกรพิการเราก็ทุกข์กันบางทีทุกข์กันจะทั้งอยากจะฆ่าตัวตาย <c oughs> แต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะตัวที่สร้างปัญหาก็คือความอยากของพวกเราความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายทำให้เราต้องพึ่งร่างกาย พอไม่มีร่างกายเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เนี่ยเรามีเมื่อก่อนนี้เรามีร่างกายที่เป็นร่างกายอีกอันนึงไม่ใช่ร่างกายที่เรามีอยู่ขณะ น, นี้ร่างกายเก่าของเรามันตายไปพอร่างกายตายไปใจเราที่มีความอยากก็เลยไปหาร่างกายอันใหม่ที่เรียกว่ามาเกิดใหม่ นี่แคือเหตุที่พาให้พวกเรามาเกิดก็คือความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะความอยากในการมคุณหาการมคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่เราเสพผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย นอกจากความอยากในรูปเสียงกิดแล้แล้วก็ยังมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยืนยอคืออยากในโลกกระทำคือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายก็คือความอยาก ทางตาหูจมูกร่างกายแล้วพอได้มาแล้วก็มีความอยากไม่สูญเสียไม่อยากให้มันหมดไปได้อะไรมาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่ไปมันก็ทําให้ใจเราต้องคอยดิน้นคอยต่อสู้คอยปกป้องรักษาสิ่งที่เราได้มาแต่ปกป้องรักษายัางไงก็รักษาไม่ได้เพราะ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ตลอดไป <c oughs> เวลาที่เราบังคับมไม่ได้มันก็จากเราไปได้ <c oughs> ตำแหน่งนี้บางคนได้เป็นใหญ่ <c oughs> เป็นโตมันไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็หัจากไปถูกโยกย้ายถูกปลดถูกปฏิวัติหรือตายไปด้วยด้วยด้วยด้วยความ เนื่องจากกันด้วยความตายอันนี้แหละคือความอยากเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็หาใหม่อยากได้ใหม่นี่คือตัวที่มาทำให้เราต้องมาทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นโตจะร่ำจะรวยจะมีอะไรมากมายกายกองสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่สามารถมา ทำให้เราไม่มีความทุกข์ได้ยิ่งกลับให้เรามีความทุกข์มากขึ้นไปซิโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราคิดว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตเราจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อยแต่มันกลับมีความทุกข์มากขึ้นไปยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งเครียดมากยิ่งทุกข์มากยิ่งกังวลยังวิตกดูคนที่มาเป็นใหญ่เป็นโตดูเป็นนายกไม่กี่ปีนี้ ผมขาวหน้าเขียวหน้าย่นอพอถูกปลดไปไม่กี่ปีนี่ดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นแต่งตึงขึ้นเพราะไม่มีความเครียดพระพุทธเจ้าก็ได้มาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นพระราชาโอรสแต่พระพุทธเจ้าก็ มีปัญญาเห็นว่าตัวเองจะสักวันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นว่าจะต้องทุกข์เมื่อถึงเวลานั้นหรือไม่ใช่นั้นก็อาจจะสูญเสียลาบยศสรรเสริญที่มีอยู่ไปก่อนที่จะแก่จะเจ็บจะตายก็ได้เพราะในโลกนี้มันมีการแข่งแย่งชิงดีกัน ถ้าพลาดก็ถูกคนอื่นเขาแย่งไปมีข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกวันเนยประเทศซาอุนี่เขาก็มีเหมือนกับปฏิวัติจับพวกที่มีอำนาจมีเงนินมีทองโดยอ้างว่าเขาคอร์รัปชันโง เอวานนี้ก็มีปฏิวัติที่ซิมบับเวก็เหมือนกันก็อ้างว่าโกงอย่างที่ไหนมีปฏิวัติก็เอาคําว่าโกงมันเป็นเหตุอย่งนั้นอ่ะเมืองไทยปฏิวัติก็โกงเห็นไหมจำนำข้าวอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะมีเหตุไม่มีเหตุเขาก็หาเหตุมาได้แต่เหตุจริงๆก็คือตันหาความอยาดของคนจะทํานั่นแหละ อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขพอไม่เห็นคนอื่นเขามีตัวเองไม่มีก็อิดชาริษยาพอมีช่องทางที่จะทำให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มาก็ทำไปฉะนั้นถ้าเรามายุ่งกับลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกาย แทนทียังมีความสุขมันไม่สุขะมันสุขน้อยสุขเดียวเดียวสุขอาจจะสุขทางร่างกายร่างกายมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟืออยากจะซื้ออะไรมากินอยากจะดื่มอะไรอยากจะดูอะไรถ้ายังมีเงินทองอยู่ก็สามารถทำได้แต่ใจนี้มันจะต้องคอยดิ้นหาอยู่เรื่อยๆต้องคอยปกป้องรักษา ใจไม่มีความสุขสุขน้อยทุกขมากกว่านี่แหละคือสิ่งที่พทะเจ้าได้ทรงเห็นก็เลยไม่อยากที่จะกลับมาเกิดอีกเพราะต่อให้กลับมาเกิดเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนมีทรัพย์สมบัติมีอะไรมากน้อยเพียงใดมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมด ของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นสมบัติถัดกันชมเวลามาเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเดี๋ยวเวลาไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเอาแต่บุญกุศลมาหรือบาปมาแล้วเวลาไปก็เอาบุญกุศลหรือเอาบาปไป บุญกุศลเดื่อบาวนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์หรือเราสุขกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงเข้าใจก็เลยรู้ว่าต้องหยุดการมาเกิดถึงจะไม่มีความทุกข์ถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาดิ้นรนมาแก่งแย่งชิงดีมาต่อสู้กัน เพื่อมาหาความสุขชั่วคราวกันแล้วเดี๋ยวพอแก่พอเจ็บพอตายก็ต้องทิ้งไปหมดแล้วก็กลับมาใหม่เพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปจากการที่ได้สิ่งต่างๆมาควจริงมันน่าจะหมดนะเพราะได้มาแล้วมันควรจะพอใช่ไหมแต่มันกลับไม่พอ เวลาเราอยากได้อะไรพอเราได้มันแล้วมันต้องพอสิก็ได้แล้วเนี่ยได้สิ่งที่เราอยากแล้วแต่ทำไมกลับไม่พอเพราะนั่นคือธรรมชาติของความอยากความอยากมันไม่พอมันมันไม่หมดด้วยการทำตามความอยากแต่ความอยากมันจะพอมันจะหมดด้วยการไม่ทำตามความอยากพอเราอยากได้อะไร ถ้าเราเปลี่ยนใจไม่เอาเสียเราก็เกิดความพอขึ้นมางั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความอยากให้เป็นไม่อยากอยากได้อะไรก็อย่าไปทําตามความอยากแล้วต่อไปความอยากนั้นก็จะหมดไปหมดกําลังไปเหมือนคนอยากสูบบุหรี่พอไปสูบบุหรี่ก็ต้องสูบไปเรื่อยๆพ็ ความอยากมันไม่หมดจากการสูบบุหรี่แต่มันจะหมดจากการไม่สูบบุหรี่ทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเดี๋ยวไม่นานความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปเห็นไหมคนที่ไม่สูบบุหรี่ทำไมไม่เดือดร้อนนันเพราะไม่มีความอยากจะสูบบุหรี่เห็นบุหรี่ก็เฉยๆอยากก็ไม่สูบเพราะรู้ว่ามันไม่ดี น, นี่คือวิธีที่เราจะหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ก็คือเราต้องหยุดความอยากหยุดความอยากสามประการนี้คืออยากได้อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเลี้นกายอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากไม่สูญเสียลาบยศสรรเสริญไม่สูญเสียชีวิตร่างกายนี้ไป จึงทําให้เราทุกข์กันจึงทําให้เราต้องกลับมาเกิดกันพ่าเวลาเราสูญเสี ย, ายสะลาบยศสรรเสริญสุขไปสูญเสียร่างกายไปเราก็ไปหาใหม่ ก, กลับมาเกิดใหม่อีกเนี่ยเรามาเกิดแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขียนด้วยตัวเลขไม่ได้ปริมาณมันมากเลขศูนย์ไม่รู้กี่กี่แสนตัว เพราะคาท่านเปรียบเทียบการมาเกิดของเรานี้เหมือนกับ เ, เวลาที่เราร้องไห้เวลาเรามาเกิดนี่ทุกคนต้องร้องไห้กันใช่ไหมถ้าเอาน้ำตาที่เราร้องไห้ในแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี่มารวมกั น, นมันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกคิ ด, ดูปริมาณของภพชาติของการมาเกิดนี่กี่ครั้งกัน ถึงมาร้องไห้กันกี่ครั้งกันถึงจะได้น้ำตามากกว่าน้ำในมาหาสมุทรถ้าเขียนด้วยตัวเลขไม่รู้เขียนไปถึงกี่เลขสมัยนี้เราเขียนแค่หกตัวเจ็ดตัวแล้วก็เหนื่อยแล้ะมีเงินแค่เจ็ดแปดตัวเลขก็พอละอันนี้ศูนย์ไม่รู้กี่กี่แสนตัวกี่ล้านตัว เรากว่าจะร้องไห้ให้ได้น้าตามากกว่า น, น้ำในมหาสมุทรต้องกลับมาเกิดกันสักกี่ครั้งกันนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันไม่รู้ว่าเรามาเกิดกันได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วเราควรจะทำอะไรแทนที่จะมาตัดความอยากกันเรากลับมาส่งเสริมความอยา ก, กัน ด้วยการทาตามความอยากกันเพราะเราไม่รู้เพราะเราคิดว่านี่คือวิธีหาความสุขของพวกเราเป็นธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องอยากอยากมีแฟนอยากมีลูกอยากมีครอบครัวอยากมีเงินมีทองไม่มีใครถามเลยว่าไม่อยากไม่ได้หรือมีแต่อยากกันทุกคนเกิดมาทุกคนนี่เหมือนกันหมด อยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสดมกลิ่นอยากไปเที่ยวอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่มอยากรวยโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์เป็นกับดักเป็นกับดักให้ใจเราติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดความอยาก นี่ละเป็นกับดักที่ดึงให้จิตเราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็เลยทรงค้นพบว่าถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดก็ต้องหยุดความอยากถ้าไม่อยากจะไปเกิดในภพต่างๆเช่นภพไม่ดีก็ต้องอย่าไปทำบาป เพราะการทำบาปนี้พาให้ไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วก่อนจะได้กลับมาเป็นมนุษย์เองก็จะต้องไปรับผลบาปก่อนไปเกิดในอบายอบายมีสี่ชนิดเดรัจฉานเปรตอสุรกายนารกเป็นที่ไปของผู้กระทำบาปคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปลดดื่มสุรายาเมาถ้าไม่อยากถ้ายังไม่สามารถหยุดความอยากให้มาเกิดได้ก็อย่างน้อยก็อย่าไปให้มันเกิดในอบายรักษาศีลห้ากันให้ได้แล้วถ้าอยากจะไปเกิดในสวรรค์ก็ให้ทําบุญถ้าไม่ทําบาปเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ไปสวรรค์ ตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมถ้าอยากจะไปเป็นสวรรค์ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ต้องทําบุญทําบุญไม่ทําบุญรักษาศีลก็ได้ไปเป็นเทวดาถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมแต่ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้อง ตัดความอยากวิธีตัดความอยากก็คือต้องเป็นนักบวชต้องถือศีลของนักบวชก็ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดนี่เป็นศีลที่จะสนับสนุนในการต่อสู้กับความอยากในการเอาชนะความอยากคือไม่ทำตามความอยากเช่นอยากจะดูก็ไม่ดูอยากจะฟังก็ไม่ฟัง ถ้าถือศีลแปดนี่ก็ห้ามดูละอยากจะดูละครดูหนังอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ไปไม่ได้เพราะศีลแปดห้ามอยากจะนอนกับแฟนก็ไม่ได้อยากจะกินอาหารมากเกินไปก็ไม่ได้กินได้แค่เที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันก็ให้หยุดกินเพราะมันพอแล้วสําหรับร่างกาย ร่างกายไม่ไม่ตายไม่อดตายถ้าได้กินอาหารวันละมือ้อสองมื้อก็พอก็ให้กินภายในเที่ยงวันอย่าไปกินมากเพราะมันจะทำให้ต้องกลับมาเกิดทำให้ต้องไม่มันเป็นความอยากถ้ากินด้วยกินด้วยกินมากนี้กินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความจำเป็นนี่ไม่เป็นความอยาก กินเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้ไม่เป็นความอยากกินเพื่อหาความสุขจากการกินนี่เป็นความอยากอันนี้คือศีลต้องมีศีลก่อนมีศีลมาช่วยเบรคความอยากไว้แต่ไม่ได้ทําลายความอยากเพียงแต่กั้นมันไว้ไม่ให้มันไปทําเพื่อเราจะได้มีเวลามาหยุดความอยาก ด้วยการหยุดความคิดด้วยการฝึกสติเพราะความอยากมันเกิดจากความคิดมันตามความคิดมาถ้าไม่คิดแล้วมันจะไม่อยากพอเราคิดถึงกาแฟเราก็อยากจะดื่มกาแฟคิดถึงที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเขาถึงเอาของมาอย่ให้เราคิดอยู่เรื่อยๆ เ, เปิดทีวี v. ดูเปิดหนังสือพิมพ์ดูนี มีของหยาความคิดทั้งนั้นมีขนมมาหยามีภาพของขนมมีโฆษณาต่างๆอันนี้มาหยาความคิดเราบางทีเราไม่ได้คิดละแต่มันก็มาสอนให้เราคิดว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สินค้านี้ ด, งงนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ได้มาแล้วจะได้ความสุขเราต้องควบคุมตาหูจมูกเน้นกายเราอยาไป สัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆนี่มันจะมากระตุ้นความอยากในใจของเราคนที่อยากจะหยุดความอยากจึงต้องหนีไปอยู่ในป่ากันอยู่ในป่าในเขามันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมากระตุ้นความอยากแต่มันยังคิดได้อยู่นอกจากไปอยู่ในป่าในเขาไปสารวมตาหูจมูกลิ้งกายแล้ว ก็ต้องมาใช้สติสํารวมความคิดหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาอยากแล้วมันก็ทนไม่ไหวทรมานใจก็อยู่ต่อไปไม่ได้ก่อนที่มาบวชเราต้องกลับบ้านกันก็นเพราะเนี่ยคุมจิตใจไม่ได้เดี๋ยวก็คิดถึงบ้านนะ คิดถึงขนมคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรที่มีอยู่ที่บ้านมาอยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับไปนอกจากพวกที่เขาตั้งใจจริงๆที่จะสู้กับความอยากเขาจะพยายามหยุดความอยากหยุดความคิดกันเวลาเผลอคิดแล้วเกิดความอยากก็ต้องเนึงใจกลับมาทันทีอย่าปล่อยให้คิดบ่อย ยิ่งคิดแล้วความอยากมันยิ่งมากยิ่งแรงขึ้นเดี๋ยวมันจะสู้ไม่ไหวนี่คือพวกที่ต้องการจะไม่กลับมาเกิดพวกที่ต้องการมาหยุดความอยากนี่มักจะเป็นนักบวชกันเพราะต้องมีเวลาต่อสู้กับความอยากความอยากนี่มันทำงานยี่บสี่ชั่วโมงพอลืมตาขึ้นมาก็อยากกันละ งั้นถ้าเราอยากจะเอาสู้กับความอยากนี่เราต้องมีเวลาต่อสู้กับมันถ้าเรายังต้องไปทำมาหากินต้องไปทำอะไรต่างๆอยู่นี่มันไม่มีเวลาที่จะมาสู้กับมันได้นักคนที่อยากจะสู้กับความอยากก็เลยต้องไปอยู่แบบนักบวชจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองหา หาอะไรหาความสุขทางตาหูจมูกนิ่นกายจะได้มีเวลามาหยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือชิ้นแรกและปัญญาเป็นเครื่องมือชิ้นที่สองตอนต้นใช้สติก่อนเพราะมันง่ายกว่าปัญญาแลต้องต้องใช้สติก่อนต้องหยุดความคิดให้ได้ก่อน หยุดความอยากให้ได้ชั่วคราวก่อนเพื่อจะได้เห็นประโยชน์ที่เกิดจากการหยุดความอยากว่ามันทำให้เราสบายเวลาจิตหยุดความอยากจิตนิ่งสงบเป็นสมาธินี้จิตจะเบาจะสุขจะสบายยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งอื่นๆความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ถ้าเราได้ความสุขจากความสงบนี้ถึงแม้จะเป็นเพียงความสุขชั่วคราวเพราะมันเป็นความสุขที่ได้จากสติหยุดความคิดนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องปล่อยมันคิดพอปล่อยมันคิดความสุขที่ได้ก็จะหายไปแต่อย่างน้อยเราจะได้สัมผัสได้รู้ว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นอย่างไรก็จะทาให้เรามีทางเลือกใหม่ เดี๋ยวนี้เราไม่มีทางเลือกถ้าเรายังไม่มีความสงบไม่มีความสุขจากความสงบเราไม่มีทางเลือกใหม่เราต้องหาความสุขจากราบยศสรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสกันยิ่งจะเลิกนี้มันจะเลิกยากเพราะเลิกแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาทดแทนมันก็จะรู้สึกเหงาว้าเวยเศร้าสร้อยไหวเหงาเวลาให้อยู่บ้านเวลาไปอยู่วัดนี่ ถ้าจิตไม่สงบนี้มันเศร้ามันเหงามันว้าวเวแต่ถ้าทำใจให้สงบได้มันหายเหงาหายว้าวเวมันได้พบความสุขแบบใหม่มผู้ที่จะเลิกความอยากต่างๆเลิกหาความสุขแบบเก่าได้ต้องมีความสุขแบบใหม่ขึ้นมาก่อนโดยมีความสุขที่ได้จากความสงบนี่ เบื้องต้นจึงต้องให้ฝึกเจริญสติให้มากเพื่อที่จะสามารถทําใจให้สงบได้นักควรจะทําจนชํานาญสามารถทําใจให้สงบได้ทุกเวลาที่ต้องการเหมือนกับเวลาที่อยากจะดื่มกาแฟนี่สามารถดื่มได้ทุกเวลาเวลาอยากจะทําใจให้สงบนี้ต้องทําให้มันสงบได้ทุกเวลาเพราะว่าเวลาเกิดความอยาก ไปดื่มกาแฟาเราจะได้ใช้ความสงบนี้มาสู้กับมันเปลี่ยนทางเดินระหว่างไปนะไปดื่มกาแฟากับไปนั่งสมาธิไปนั่งสมาธิดีกว่า <c oughs> ต่อไปก็ไม่ไปอยากจะดื่มกาแฟาพอทุกข์ก็อยากอยากจะดื่มกาแฟาก็ไปทําใจให้สงบหยุดความอยากดื่มกาแฟา แล้ววิธีที่จะทำให้ความอยากมันหายไปก็คือต้องมีปัญญาต้องรู้เหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากหนึ่งทำแล้วมันไม่ได้สุขแท้จริงสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปสุขนั้นก็หมดไปทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ นี่มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นของชั่วคราวแล้วเราก็สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้เวลาอยากได้สั่งให้มันมาบางทีมันก็ไม่มาเฉนั้นอย่าไปอยากได้อะไรในโลกนี้อย่าไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญอย่าไปอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย อย่าไปอยากมีร่างกายร่างกายมันจะเสื่อมมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปอยากอยากแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากนี่คือปัญญาสอนให้รู้ว่าเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้ต้องอย่าไปทําตามความอยากอยู่เฉยๆทําใจให้นิ่งให้สงบอแล้วใจจะไม่ทุกข์ เวลาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาถ้าไม่รู้จักทําใจให้สงบเวลาเกิดความอยากนี้จะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องไปทาตามความอยากเพราะเวลามันอยากแล้วมันทรมานใจเหมือนคนอยากยาเสพติดเวลาอยากยาเสพติดนี่มือไม้สัน่นใจสัน่นทำอะไรไม่ได้นอกจากไปเสพยาเท่านั้นถึงจะทำให้ใจหายสัน่นหายทุกข์ายทรมานได้ นี่คือปัญญาปัญญาคือต้องรู้ว่าการทำตามความอยากนี้นาไปสู่ความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากการทำความอยากเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่บางทีไม่แน่นอนสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้บางทีสั่งให้มันมามันก็ไม่มาเวลาอยู่คนเดียวเหงาอยากจะได้คนนั้นคนนี้มา เขาก็ไม่มาก็เวลาไปหาก็ไม่รู้จะไปหาเจอหรือเปล่าบางทีไปก็ไม่เจ อ, อเวลามีแล้วเดี๋ยววันดีึ้นดีเขาก็จากเราไปั้นขอให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของเราชั่วคราว เดยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปหรือหมดสภาพไปถ้าเรามีปัญญาทุกครั้งที่เราอยากได้ลาบยศสารเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นแล้อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เราก็จะหยุดมันด้วยการไปทําใจให้สงบปล่อยมันไปร่างกายมันจะแก่ก็ห้ามมันไม่ได้ ร่างกายมันจะเจ็บไขยได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันไปห้ามมันไม่ได้ถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายวิธีจะปล่อยก็คือต้องทำใจให้สงบนั่นเองทำใจให้นิ่งเฉยๆเป็นอุเบกขา ด้วยการใช้สติหยุดความคิดพอเราไม่ไปคิดถึงความเจ็บความเจ็บก็ความอยากจะหายเจ็บมันก็ไม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้เวลาตายก็เหมือนกันอย่าไปคิดถึงความตายอยู่กับพุทโธพุทโธไปทำใจให้นิ่งอย่าไปคิดอะไรตายก็ตายหรือจะคิดค่คิดแบบปัญญาว่ามันไม่เที่ยง มันต้องไปห้ามันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ไปจะทุกข์ทุกข์เพราะความอยากถ้าไม่มีความอยากให้มันไม่ไปก็จะไม่ทุกข์นี่คือวิธีที่เราจะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอไม่มีความอยากแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ต้องไปใช้ผลบุญผลบาปที่เรายังทํากันอยู่นี่คือเหตุผลว่าเรามาเกิดได้อย่างไรเกิดเพราะความอยากสามประการนี่ความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากนี้อยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วก็ทําให้เราทุกเวลามันอยาก ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากทั้งสามนี้ยั น, นการมาเกิดนี้ก็มาเกิดเพื่อมาหยุดความการเกิดนั่นเองเพราะการเกิดไม่ดีเกิดแล้วทุกข์เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทุกข์อย่างที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ ถ้าไม่มาเกิดก็ไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายไม่มีความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้งยนหน้าที่ของเราก็คือต้องมาหยุดความอยากาการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเอาธรรมะของพรธเจ้าเครื่องมือมาหยุดมันเพราะตอนนี้เราไม่มีกำลัง ตอนนี้ถึงแม้เราจะรู้แล้วว่าความอยากเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาเกิดทำให้เรามาทุกข์กันเราต้องหยุดความอยากแต่เราก็ยังหยุดไม่ได้เดี๋ยวออกจากที่นี่ไปก็อยากแล้วเดี๋ยวต้องอยากอะไรสักอย่างนะไม่อยากดื่มกาแฟก็ยึดเดิมเครื่องเดิมอยากกินขนมอยากดูนั่นดูนี่เดี๋ยวก็ไปเปิดมือถือกันนะอยากจะดูว่าใครส่งข่าวมาหรือเปล่า มีอ่ะครับ่างนั้นถ้าเราเกิดความอยากเราหยุดไม่ได้ก็เราต้องมาสร้างกำลังให้ขึ้นมาวิธีสร้างกำลังก็คือต้องทำสามข้อที่พุทธเจ้าสอนให้ทำคือทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนานี่คือทำที่จะ สร้างพลังจิตขึ้นมาให้มีกำลังหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจได้การทำทานนี้ก็เป็นการสร้างพลังหยุดความอยากอยากใช้เงินไปซื้อไปทำอะไรตามความอยากนี่ก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวเนี่ยเช่นอยากไปเที่ยวเนี่ยเอาไปทำบุญแท น, นการทำบุญนี้จะทำให้หยุด การไปเที่ยวได้ทุกครั้งที่เราอยากไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปทำบุญต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็หายไปมันไม่ติดนะพอเราเลิกเหมือนคนสูบบุหรี่ทุกครั้งอยากจะสูบบุหรี่ก็เอาบุหรี่ไปทิ้งน้ำโยนเข้าไปในโถส้วงหยิบบุหรี่ออกมาจากซองแล้วก็โยนเข้าไปในโถส้วงเดี๋ยวทอไม่ได้สูบไปต่อไปมันก็ไม่มีความอยากจะสูบเอ เวลาอยากจะไปเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญมีญาติโยมบางคนพรรษาที่แล้วตอนต้นกะจะไปเที่ยวต่างประเทศพอฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เปลี่ยนใจเอาเงินไปทำบุญดีกว่าไม่ไปเที่ยวทำบุญใส่บ้านได้ทั้งพรรษาเลยเอาเงินไปเที่ยวไปสนับสนุนผู้ปฏิบัติธรรมดีกว่า ให้มีผู้ปฏิบัติธรรมเยอะๆจะได้มีคนมาช่วยกันสั่งสอนมาช่วยกันดึงให้ไปสู่พระนิพพานกันก็เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่เคยคิดอยากจะไปเที่ยวไหน ล, ละอาการไม่เที่ยวมันก็จะทำให้เราไม่ต้องดิน้นหาเงินทองถ้าเรายังเที่ยวยังใช้เงินมากๆเราก็ต้องหาเงินกันมากม ถ้าหาเงินมากๆอยากจะได้เร็วๆง่ายๆก็ต้องทำบาปกันก็จะรักษาศิลไม่ได้แต่คนที่ทำบุญแล้วจะรักษาศิลได้เพราะจะไม่มีความอยากที่จะหาเงินมาใช้มากๆหาเท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นคือใช้กับปัจจัยสี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค ก็ไม่ไม่มีไม่รายจ่ายไม่มากเหอนอกับการใช้ตามความอยากถ้าใช้ตามความอยากแล้วมันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเมื่อวานนี้เขามีการประมูลภาพเขียนอยู่ภาพหนึ่งราคาสี่รอยห้าสิบล้านเหรียญอยากได้คือ ด, ดูในภาพภาพเดียวเงินต้องสี่ร้อยห้าสิบล้านเหรียญมา คูณด้วยสามสิบกว่าก็ไม่รู้เท่าไหร่หมื่นกว่ลมือนกว่าบาทมั้งมืนนา้นบาทเนีย่ยเอาไปเลี้ยงคนได้เยอะแยะคนที่โอดอยากขาดแค้นเอาผ้าไปติดไว้ที่ฝาผนังหรไม่ได้ดไม่กล้าติดอีกต้องเอาไปเก็บไว้ในเซฟอีกแขวนไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ข้อมูก็มาย่องออกไปอีกแล้วซื้อไปทำไมซื้อไปเก็บไว้ไปซ่อนเอาไว้อีก ไปอวดคนที่ร่ำรวยด้วยกันว่าฉันมีภาพอย่างนี้เธอมีหรือเปล่าแค่นั้นเองความอยากใช่ไหมมีเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่หรก็ไม่พอใช้เพราะมันมีของมากระตุ้นให้อยากซื้อมันก็จะทําให้ไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลได้พวกที่ร ว, วยเนี่ยถามว่ารักษาศีลห้าได้หรือเปล่า น้อยคนที่จะรักษาสีหนห้าได้แต่ถ้าคนที่ทำบุญเยอะๆเนี่ยรักษาสีหนห้าได้สบายเพราะเขาไม่มีความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากถ้ามีเงินเยอะเขาก็เหลือเหลือกินเหลือใช้เพราะเขาใช้นิดเดียววันละอาหารวันละสะกี่ตังกัน ร้อยสองร้อยบาทก็อิ่มแล้วมีหมื่นล้านแสนล้านเอาไปใช้หมดเลยกินหมดนะเอาไปทำบุญดีกว่าถ้าเอาไปซื้อของแบบนี้มีแสนล้านก็ไม่พอซื้อเห็นไหมภาพรูปภาพเดียวก็ต้องล่อไปต้องหมื่นกว่าล้านนะแล้วเดี๋ยวมีมีอย่างเอนให้ซื้ออีกับเพชรอีกอะมีอะไรอ ย, อยากจะซื้อกันเอามาอวดกัน ถ้าเราไม่ใช้เงินตามความอยากเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องไปทําบาปกันสามารถหาเงินโดยโดยที่วิธีไม่ต้องทําบาปได้เพราะเราไม่ต้องไม่ต้องหามากนั่นเองเป็นแม่ค้าก็ขายแม่ค้าก็ขายของตามมีตามเกิดไปไม่ต้องโกหกหลอกเรื่องพวกแม่ค้านี่เขาบ่นว่ารักษาสิทธห้ายาก อดที่จะโกหกไม่ได้อดที่จะโกษณาสินค้าเกินความเป็นจริงไม่ได้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แพงอย่างนั้นแพงอย่างนี้ไม่งั้นเ็าขายไม่ได้แต่คนที่ไม่ต้องการหาเงินมากๆก็จะสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้ พราะการศีลห้าการถือศีลห้าก็จะทำให้เราหยุดความอยากที่จะไปทำบาปได้หยุดที่จะไปหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆด้วยวิธีการทำบาปนั่นเองถ้าเรารักษาศีลห้าได้มันก็จะหยุดความอยากไปได้อีกระดับหนึ่งแล้วก็หยุดให้เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันการทำบาปนี้ทาให้เราทุกข์กันการทำบุญนี้ทำให้เรามีความสุขกัน สุขที่ดีกว่าความสุขที่ไปเที่ยวกันความสุขไปเที่ยวนี่ไปปั๊บก็กลับมาหมดแล้วเหลือแต่ความอยากเที่ยวเหลือแต่ความทุกข์ตามมาแต่คนที่ทำบุญเสร็จแล้วไม่มีความอยากไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ทุกข์อยู่เฉยๆได้เราต้องทำบุญทาทานสู้กับความอยากที่จะใช้เงินที่ ไปตามไปตามความอยากต่างๆเพราะมันจะทำให้เราติดกับการใช้เงินติดกับการหาเงินแล้วจะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาต่อสู้กับความอยากนีน่ไม่มีกำลังไม่มีเวลาแต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวตามไปใช้ตามความอยากมาทาบุญหรือไม่ทำบุญก็เก็บไว้เฉยๆก็ได้อย่าไปทาตามความอยากก็แล้วกันความอยาก มันก็จะหายไปความอยากจะใช้เงินก็หายไปจะใช้แต่เฉพาะความจาเป็นเท่านั้นก็จะมีไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปหาเงินมากไม่ต้องไปทำบาปนะจะได้มีเวลาไปไปภาวนานั่นเองคนที่ไม่ต้องทำงานไม่ต้องหาเงินมีเงินสำรองไว้กินพออยู่ได้ก็ไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาได้ ไปถือศีลแปดได้ถ้ายังไม่ได้ไปภาวนาไม่ได้ไปถือศีลแปดนี้ไม่มีทางที่จะหยุดความอยากได้หยุดก็เพียงแต่ความอยากเล็กๆน้อยๆล้จะหยุดมันแบบทั้งหมดนี่หยุดไม่ได้หยุดได้บางส่วนถ้าทำทานรักษาศีลก็หยุดได้บางส่วนอย่างน้อยก็หยุดใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยช่วยใช้เงินแบบ ไม่จําเป็นได้แต่ก็ยังก็ยังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าอยากจะหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องไปถือศีลแปดซื้อศีลสิศีลสอง็กันมาอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามทําใจให้สงบให้ได้ถ้าไม่สงบจะสู้ความอยากไม่ได้ เดี๋ยวอยู่ได้ไม่กี่วันก็ต้องกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ถ้าสงบแล้วก็จะอยู่ได้แล้วก็จะเลิกหาความสุขทางต า, งตางหูจมูกลิ้นกายได้หยุดความอยากในลาบยศสรรเสริญได้หยุดกามาตันหาได้หยุดภาวะตัณหาได้หยุดวิภาวะตัณหาได้หยุดได้ก็หมดปัญหาทุกข์ก็จะไม่มีต่อไป การเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเพราะท่านได้ทำทานแล้วสละสมบัติข้าวของเงินทองไม่พึ่งสมบัติข้าวของเงินทองเป็นวิธีหาความสุขแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ก็จะไม่มีใครเข้ามาบรบกวนในการบําเพ็ญในการปฏิบัติธรรมถ้ายังไปทําผิดกฎหมายผิดศีลอยู่เดี๋ยวก็ถูกเข้ามาจับไปลงโทษจับไปขึ้นศาลเวลาจะไปปฏิบัติก็ไม่มีต้องรักษาศีลทาถ้าไม่มีเงินทําบุญก็ไม่ต้องทําแต่อย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็แล้วกัน มีเงินอยากจะเก็บเอาไว้ก็เก็บได้ถ้าต้องการเก็บไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื<ม>่อจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ตอย่างเต็มที่ถ้าไม่ต้องใช้เงินทองก็ยกให้คนอื่นไปพวกที่ไปบวชพระนี่เขาไม่ต้องใช้เงินทองเขาก็เลยบอยจากเงินทองให้็เดื่นไปหมดพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติแล้วจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้เต็ม เต็มร้อยเต็มที่ควบคุมความคิดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตสงบมีความสุขพอมีความสุขความอยากจะหาความสุขอย่างอื่นก็จะหายไปพอทุกครั้งที่อยากจะมีความสุขก็หยุดมันอยากจะมีความสุขจากการทําตามความอยากก็หยุดมันด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นวิธีหาความสุขแต่เป็นวิธีหาความทุกข์ กลับไปหาแฟนเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กับแฟนแล้วเดี๋ยวแฟนทิ้งเรามันก็ความสุขที่ได้จากแฟนก็หมดไปอยู่กับอยู่แบบไม่มีแฟนดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้ไม่ทรยศเรามันจะอยู่กับเราไปตลอดอ น, นี่คือวิธีที่เราจะหยุด ความอยากต่างๆเพื่อเราจะได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายกัน mm. นี่แหละคือหน้าที่ของเราหน้าที่ของการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีใครที่จะทำหน้าที่นี้ได้ดีเท่ากับการเป็นมนุษย์แต่ต้องมีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้สอนผู้บอก mm. ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ mm. ก็จะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม mm. ก็จะทำทำตามความอยากไปหาความสุข ตามความอยากไปแล้วก็มาทุบมาล่องห่มล่องห้ากันเวลาที่สิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเรามามันเปลี่ยนไปหรือมันจากเราไปหรือมันเสื่อมไปหมดไปแต่ก็ไม่เข็ดพอมันเสื่อมไปก็หาใหม่หมดไปก็หาใหม่หาเท่าไหร่มันก็หมดไปเรื่อยๆ ร, รูปเสียงกินลอนี่แล้วหาใหม่อยู่เรื่อยๆดูละครเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็ดูอีกเรื่องฟังเพลงนี่แล้วเดี๋ยวก็ฟังอีกเพลง ไปเที่ยวตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวอีกที่นึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะมันหมดความสุขที่ได้จากมันมันหมดก็ต้องหาแบบมาทดแทนอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันหนึ่งไม่สามารถจะหาได้เจ็บไข้ได้ป่วยแกไปไหนไม่ได้ตายทีนี้ก็มีแต่ความเศร้าส้อยหงอยหเหงาความซึมเศร้าไปจนวันตาย ตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาทําแบบนี้ใหม่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเราต้องมาหยุดความอยากกันหยุดการเกิดแก่เจ็บตายกันการมาเกิดของเราครั้งนี้ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายคนที่ไม่รู้อาจจะคิดว่าเป็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายคิดว่าตายแล้วก็จบใช่ไหมเพราะว่าไม่เห็นใจเห็นแต่ร่างกาย เรามีสองส่วนส่วนที่เห็นกับส่วนที่ไม่เห็นเราเห็นส่วนที่เห็นคือร่างกายเห็นว่ามันตายไปมันก็จบแล้วมันจะไปไหนร่างกายมันไม่ไปไหนมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟไปแต่ร่างกายไม่ได้เป็นตัวที่ทุกข์ตัวที่อยากตัวที่ทุกข์ตัวที่อยากก็คือใจที่เรามองไม่เห็นกันแต่อยู่กับเราตลอดเวลาเราอยู่กับใจตลอดเวลา เราอยากเราทุกข์กับมันตลอดเราทุกข์กับใจตลอดเวลาอันนี้เราไม่รู้เราแยกไม่เป็นเราคิดว่ามันเป็นส่วนเดียวกับร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วความอยากมันก็ต้องหมดไปความทุกข์ก็ต้องหมดไปะคนที่ทุกข์มากๆเลยคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์จะหมดมันไม่หมดเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจใจก็ต้องทุกข์ต่อไป ทุกด้วยความอยากถ้าไม่มีพระพุทธศาสานามาสอนก็จะไม่รู้ถ้ามีพระพุทธศาสานาแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ปฏิบัติเองไหมเรียนรู้เรียนเรีย น, ยนม่ก็ไ ม, ไม่รู้เรื่องอีกเช่นมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยลิงเออยอะไรเออยเนี่ยนกเอเอยเขาไม่รู้ว่ามีพระพุทธศาสานามาสอนให้เขารู้ว่า ถ้าเขาไม่อยากจะต้องมาทุกอย่างที่เขาทุกอยู่นี่เขาต้องหยุดความอยากของเขาเขาไม่ดูภาษามนุษย์ฟังไม่ลุ้เรื่ององั้นถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็จะทําตามความอยากกันต่อไปแล้วก็จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันต่อไปเรื่อยๆ ต้องมาเจอตอนที่เราต้องมาเจอพระพุทธศาสนาตอนที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างตอนนี้ตอนนี้ถือว่าพวกเราโชคดีถ้าแทางหวยก็ถูกรถูถกรางวัลที่หนึ่งกันมีทั้งลอตเตอรี่มีทั้งเลขที่ถูกรางวัลถ้าซื้อลอตเตอรี่แต่ไม่ตรงกับเลขของรางวัลมันก็ขึ้นรางวัลไม่ได้ถ้า มีเลขที่ถูกแต่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็เอาไปขึ้นรางวัลไม่ได้เหมือนกันมันต้องมีทั้งลอตเตอรี่ที่ตรงกับเลขของรางวัลต้องมีพระพุทธศาสนาและต้องมีร่างกายของมนุษย์ถึงจะสามารถที่จะรับประโยชน์หรือมาแก้ปัญหาของเราได้ปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่บางคน ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับประโยชน์เพราะเป็นพูดแบบหูหนวกตาบอดเป็นแบบพวกทับพีในหม้อแกงไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรทับพีอยู่ในหม้อนี้มันไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไรไม่ได้เป็นแบบพวกลิ้นกับแกงคือเกิดมาเป็นชาวพูดเป็นมนุษย์ไม่สนใจที่จะศึกษาเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทาอะไรกัน เนื้อทำก็ทำแค่พอหอมปากหอมคอทำความขอไปทีแต่ใจก็ยังอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลเลาเกือยวตรงนี้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกันผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจริงๆนี้มีน้อยมากคือพระอหรหันตสาวกทั้งหลายนยีชาวพุทธนี้เป็นมีเป็นพันล้าน แต่ป้าอารหันนี่มีไม่รู้กี่ร้อยคนเพราะพวกที่เป็นลิ้นกับแกงนี่มีน้อยพวกที่ทับพีในหม้อกแกงนี่มีเยอะอยู่กับแกงมาตลอดเวลาอยู่กับพระพุทธศาสนาตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไปอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปเพื่อทำอะไรก็คิดว่าแค่ทำบุญทำทานรักษาศีลศีลก็ไม่รักษากัน อย่างมากก็แค่ทำบุญทาบุญก็ทำพอหอมปากหอมคอจะทำแบบจริงจริงจังๆไม่ได้ทำทำแบบจริงจังก็ทำไปหมดเลยไม่ไม่ไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขใจไปหาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการหยุดความอยากการชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผู้ที่ได ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างเต็มร้อยนี้ก็มีไม่มากคือพระอาจารย์ตาสาวกทั้งหลายพวกนี้ที่เขาได้ประโยชน์เพราะอะไรว่าเขาฟังเขาอ่านเขาศึกษาคำสอนแล้วเขาเชื่อเชื่อเต็มร้อยแล้วก็ทําตามเต็มร้อยเขาก็เลยได้ผลเต็มร้อยถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเรา ไม่เชื่อเต็มร้อยเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยพอไม่ได้ปฏิบัติเต็มร้อยผลก็ไม่เต็มร้อยอยู่แค่ตรง น, นั้นเน่ยอยู่ที่เราเชื่อหรือไม่เชื่อคาสอนของพระเจ้าหรือเปล่าว่าเรามาเกิดแก่เจ็บตายกันเพราะความอยากของเราถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องมาหยุดความอยากให้หมดหยุดอยาให้มันมีอยู่ในใจเราอีกต่อไป การที่เราจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องไปเป็นนักบวชกันเราต้องสละความสุขแบบเดิมๆไปให้หมดหยุดหาความสุขแบบเดิมแล้วมาหาความสุขแบบใหม่กันหาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันโดยการไปถือศีลแปดโดยการไปอยู่เปรกวิเวกอยู่ในป่าในเขาอยู่ในที่สงบ ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วความอยากมันจะเกิดเกิดแล้วมันจะทนไม่ไหวจะสู้กับความอยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เรไม่มีกาลังไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมาหยุดความคิดหยุดความอยากไม่มีเวลาที่จะเอาปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่าเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปหาความสุข นี่คือคำถามและคำตอบที่เราควรจะถามบ่อยๆแล้วก็พยายามอตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรเรามาเกิดเพราะความอยากเกิดแล้วมันดีไหมเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายก็อย่ามาเกิดวิธีจะไม่เกิดก็ต้องมา บำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อหยุดความอยากงนหน้าที่ของเราจริงๆก็คือมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาตอนนี้เรามีสองหน้าที่หน้าที่หนึ่งก็ดูแลร่างกายเลี้ยงร่างกายด้วยปัจจัยสี่เพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะไม่สามารถมาบำเพ็ญหน้าที่ที่สองได้คือการมาทำมามาบำเพ็ญศีลสมาธิ ป, ปัญญาหรือ ทานศีลภาวนาฉั้นต้องต้องเลี้ยงดูร่างกายเราให้ให้แข็งแรงให้มีสุขภาพดีเพื่อเราจะได้มาบําเพ็ญทานศีลภาวนาได้แต่อย่าไปทําอย่างอื่นอย่าไปหาเงินเพื่อให้ร่ําให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั่นเป็นวิธีหาพบชาตินั่นเองหาการเกิดแก่เจ็บตาย เพราะมันเป็นการทำตามความอยากทั้งสามคือการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาแต่การทำทานรักษาศีลภาวนานี้เป็นการตัดความอยากทั้งสามนี้ไปทำทานก็ตัดความอยากรักษาศีลก็ตัดความอยากภาวนาก็ตัดความอยากนั้นขอให้เรามาทำหน้าที่นี้กันทำทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์แล้วความอยากก็จะหมดไปจากใจ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่คืองานของเรางานของการมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดทำไมมาเกิดเพื่อมาหยุดความอยากหยุดความอยากด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาไปนี่คือคบตอบความรู้ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ถ้าเรานําเอาไปปฏิบัติได้เราจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลคือจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีวันว่าไม่มีวินาทีไหนที่จะมีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปสุขไปตลอดก็ขอให้ท่านจงนําเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุข ที่สูงสุดที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้ผ่ mm hmm. อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปัติตังปุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปา จันโทปนะอรโสยธามณิโชติอรโสยธาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุฒาปจายโน จตาโรธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลังอันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่อันนี้ทางเฟซ380คนครับทาง youtube 80คนครับทางวิทยุ7คนครับาทางลาทไลน์มีเท่าไหร่เรามารู้ดีทางไลน์ตอนนี้เป็นสมาชิก900คนแล้วครับ900 มีตรงนั้นเ้าเรียกอะไร QR code เใครต้องการจะจอยก็สามารถถ่ายภาพได้เลยคนที่มี Line เขาจะรู้กันใช่ไหมครับรูในตอนตอนนี้เขาก็แอดแต่เลมแอดเข้ามาเรื่อๆตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ก็เจอ QR code เขาก็เชื่อมเข้าไปได้เลยครับก็คือเข้าไปหมดติดตั้งนะฮะแล้วก็ให้เซิร์ชให้ให้ให้ให้อ่าน QR code นะครับใช่อย่างตอนนี้ถ้าอยากจะมี QR code อย่างนี้ก็อ่านได้เลยานได้เลย อันอ่านปา๊อบไปเจอว่าเป็นไงเป็นเป็นก็ออเอ่านปุ๊บเป็นกลุ่มเลยเลยเป็นอยู่ในกลุ่มเลยเนะเราจะดึงเข้ากลุ่มเลยค ร, <อ>ครับก็จะมีป๊อบอัพขึ้นเลยว่าเข้าไปที่ถึงลายทางการปะอาจารย์พอมีอะไรก็จะแจ้งไปให้ทราบครับอืบออย่างนี้ไม่เล่นไม่เป็นของวงนี้ไม่เคยใช้ไม่มีเวลามาเล่นไม่ไม่อยากจะติดต่อใครมีเดี๋ยวสวยคนส่งอะไรเข้ามายุ่งไปหมด อันนี้ไม่บล็อกด้วยใครเล่นไลน์อยู่ก็ไปไปเชื่อมได้นะมีโค้ดอยู่แล้วตั้งไว้ตรงนั้นอันนี้ถ้าเป็นไลน์ในช่วงในช่วงนี้เนี่ยอสามารถส่งคําถามได้ด้วยนะฮะส่งทางทางท้งไลายก็ได้ทางไลายจะขึ้นมาที่นี่เลยข้ามาทางเฟซเลยว่าเข้าเข้ามาทางทางไลน์ทางไลน์เดี๋ยวนี้ต้องดูทั้งสามทางเลยครับ ดูไลน์ดูเฟซบุ o กดูยูทูบครับดู inbox ด้วยอ่าอินบ็อกซ์สี่ตาสี่าใช้เล่นไลน์อยู่ตอนนี้ก็ส่งคําถามเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเข้าเฟซไม่ต้องเข้ายู u ูบนะครับแล้วคําตอบก็เขาต้องฟังฟังถ่ายทอดสดเดียวังถ่ายทอดสดด้วยครับไม่ต้องฟัง youtube ครับฟังจะฟัง youtube หรือ facebook ก็ได้ครับแล้วเครื่องเขาจะเล่นทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอ่าเวลาส่งข้อความก็ต้อง ต้องออกจาก YouTube ออกจาก youtube ครับแล้วเราก็ไปรอฟังคำถามคำตอบใน y o u t u ู e อีกทีก็ยังไม่สะดวกกีว่าสามารถฟังคำตอบที่ไลน์ได้เลยยังครับยังทำไม่ได้ครับเมื่อกี้ใครอยากจะถามอะไรว่ามาอาาะเวลาน่าจะมากี่แล้วรู้สึกว่ามันจะเกินเวลาโดยอัตมัติเนี่ยได้ไหมคะ อย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมันให้ดูเรานั่งเราเรานั่งเราใช้อะไรเป็นตัวควบคุมใจแหละก็อยู่กับพุโทโธไปไ ม, มันจะเกินก็ป่มันเกินมันอัโนมัตมันเกินไม่ได้หรอถ้าเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะเราอยากจะเกินนะมันทำเงี้ยเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธเราไปรู้<ม>ไปรู้เรื่องน้ําลายพอ ร, รู้รีบกลับมาที่พุโทโธ<ม>ไม่ต้องเกินมันจะไหลออกมาทางปากข้าวป่อยมันไหลไปอย่าไปเกินมัน มันไม่ไหลหรอกใจเรามันไปยุ่งกับมันเองเวลาี่คุยกันมันก็ไม่ได้ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่ไหลหรอกไม่ต้องไปเกินมันหรอกเราไม่อยู่กับพุโทโธมันก็เลยเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีบางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้อยากจะไปเกานะ อ, อ้อน้ำลายก็อยากจะเกินมันทามานั่งเกานั่งนั่งเกินน้ำลายก็ไม่ได้นั่งสมาธิ นั่งสมาธิก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปไม่สนใจกับร่างกายว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีน้ำลายไม่มีน้ำลายมันจะคันตรงนั้นหรือคันตรงนี้หรือไม่ไม่ต้องไปสนใจกับมันให้อยู่กับพุโทโธไปแล้วต้องการทําใจให้สงบการานั่งสมาธิต้องการปล่อยวางร่างกายอย่าไปยุ่งกับร่างกายถ้าไปยุ่งกับร่างกายใจจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ ใจจะเข้าสู่ความสงบได้ต้องปล่อยร่างกายแล้วก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจผลิตขึ้นมาเวลานั่งตอนที่นั่งแล้วก็เห็นหนูน่นเห็นนี่ก็อ ย, าอ ย, อยาาา่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธพุทโธไปอย่าไปนั่งวิภาควิจาร์ว่านี่เป็นดวงวิญญาณเป็นอะไรเป็นเทวดาเป็นอะไรอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปมันจะเป็นหรือไม่เป็นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปสนใจเพราะเราไม่ต้องการที่จะ รู้เรื่องราวเหล่านี้มันไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์ที่สูงสุดสำหรับเราคือความสงบเราต้องการความสงบจะสงบได้ใจต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวอย่าไปอยู่กับเรื่องอื่นหรือถ้าดูลมก็ให้อยู่กับลมอย่างเดียวอะไรจะมาปรากฏมาให้เรารับรู้อย่าไปสนใจน้ำลายจะปรากฏให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจ มีภาพมีเสียงหะไรโผกเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปจนกว่ามันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเวลามันดิ่งมันก็วุบลงไปแล้วก็นิ่งสบายตอนนั้นไม่มีอะไรละ ว, ว่างใจเบาใจเย็นใจสบายเหลือแต่ตัวรู้ตัวจิตตัวใจตัวเดียวคือตัวรู้ผู้รู้ตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรปล่อยมันรู้เฉยๆไป ต่นนั้นมันมีความสุขมากมันไม่อยากจะไปทำอะไรมันไม่อยากจะรู้อะไรครับประคองมันให้อยู่ไปนั้นๆถ้ามันอยากจะออกถ้าดึงมันไว้ได้ก็อยากนึกก็ดึงมันไว้ต่อไปให้มันอยู่ไปนานๆนย่างกล่ามันจะดึงมันไม่ไหวมันจะออกมาก็ค่อยลุกออกมาแล้วก็ออกมาก็มาเจริญสติต่อมาพุทโธต่ออย่าหยุด ทำต่อไปเรื่อยๆสตินี่สำคัญตลอดเวลาทำมันตลอดเวลาเพราะมีสติมากๆแล้วจะควบคุมใจได้ควบคุมความความคิดได้ควบคุมความอยากได้ควบคุมความทุกข์ได้กร<ม><ม>ะจายให้อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวให้จิตเป็นหนึ่งอย่าไปเป็นสองเป็นสากับน้ำลายกับ สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะมีอะไรเข้ามาเยอะแยะเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวพูดโธได้สองคำก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้หนึ่งมันกลับมาพูดโธไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้กเดี๋ยวก็น้ําลายก็เข้ามาเดี๋ยวก็คันตรงนั้นคันตรงนี้แล้วเดี๋ยวบงทีเสียงคนนั้นเสียงคนนี้เข้ามาพอเสียงเข้ามาก็คิดไปกับเขาแล้วเราต้องการหยุดคิด หยุดรับรู้เรื่องราวต่างๆให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวคือพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตจะรวมเป็นหนึ่งได้เป็นสมาธิได้ถ้าเป็นสมาธิแล้วจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะทิ้งสิ่งต่างๆไว้ได้อยู่คนเดียวได้ไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่มีไม่มีครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องทุกข์กับ แฟนไม่ต้องทุกข์กับครอบครัวไม่ต้องทุกข์กับลูกมีแล้วทุกข์รู้ไหมมีมีแล้วสุขหรือทุกข์กันมีแล้วก็ต้องทุกข์ไม่มีก็ไม่ทุกข์นี่มันอยู่แบบไม่มีไม่ได้กันเพราะมันอยากกันแต่ถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะอยู่แบบไม่มีได้อยู่อยู่คนเดียวได้พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆแม้แม้แต่เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องคอยคุมจิตไว้ ถ้าเริ่มคิดไปทางความอยากก็พุทโธพุทโธหยุดมันถ้าไม่อยากจะพุทโธก็ให้มันผูกใจไว้กับร่างกายคอยดูร่างกายว่ากำลังทำอะไรอยู่ให้อยู่กับร่างกายทำอะไรไปควบคู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นเช่นร่างหน้าก็ให้มันอยู่กับการร่างหน้าอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เวลาที่ร่างหน้าเวลาแปงฟันก็อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่การแปลงผ่อนไปอย่างนี้ก็เป็นการฝึกสติไป ให้ควบคุมใจให้อยู่เฉยๆไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าปล่อยให้มันลอยไปเวลานั่งสมาธิมันจะไม่หยุดคิดมันจะไม่สงบนั่งไปก็เสียเวลาเปล่าๆเอาแล้วนะคำถามทางบ้านคำถามจากลูกพ่อตากศิล ถ้าผมนั่งสมาธิและเปิดประวัติครูบาอาจารย์ไปด้วยนี้และพิจารณาไปด้วยนี้ถูกไหมครับไม่ถูกอ่ะนั่งสมาธิไม่ให้ไม่ให้ไปรู้อะไรทั้งนั้นให้อยู่กับพุโทโธคำเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวถึงจะเรียกว่านั่งสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่านั่งอ่านหนังสือนั่งคิดไม่ใช่นั่งสมาธินั่งสมาธิต้องการหยุดคิดหยุดอ่านหลับตาแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียว ถึงจะเรียกว่านั่งสมาธิคำถามจากผู้ไม่ออกนามค่ะถ้าหมอบอกว่าเราเป็นโรคมะเรง็งเราจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรดีเจ้าคะก็เอาคาสอนพุทธเจ้ามาสอนเราว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนตุกก๊กตาตัวหนึ่งได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ให้เรามาเล่นกับมันมาใช้มันมันเป็นเหมือนคนรับใช้เรา ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่เราไม่สามารถที่จะไปยับยั้งมันได้เพราะฉะนั้นเวลามันจะแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปวิธีที่เราจะปล่อยได้คือเราต้องทำสมาธิทำใจให้มีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วจะไม่ทรมานถ้าอยากให้มันไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บมันจะทรมาน เวลามันจะทรมานก็ใช้พุโทโธพุธโทโธแล้วความทรมานมันจะคลายไปแล้วมันจะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้โดยไม่ทรมานคำถามจากคุณบิลลี่บุรีรัมนิมิทเห็นหลวงปู่มหาบัวกับหลวงปู่จันเรียนบอกให้สร้างวัดข้างๆบ้านนิมิท ด, ดีไหมครับสาสตก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในฐานะไหนเรามี กำลังไปสร้างหรือเปล่าถ้าเรามีกําลังไปสร้างได้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีกําลังก็อย่าไปสร้างเอก็มินิมิตไม่ดีต้องนิมิตให้เราไปบวชจะดีกว่าใช่ไหมบวชได้ปฏิบัติธรรมได้หลุดพ้นสร้างวัดก็ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้หลุดพ้นได้แค่ทําทานนั่นเองมันแล้วแต่ว่ามันเราจะต้อง เราอยู่ในฐานะไหนถ้าเราไปบวชได้สู้ไปบวช ด, ดีกว่าไปทำสู้ดีกว่าไปสร้างวัดเดี๋ยวบวชบวชแล้วเดี๋ยววัดมันก็ตามมาเองหลวงตามหลวงอะไรนี่ท่านก็ไม่ได้สร้างวัดหรอกท่านก็ไปบวชกันเอาบวชแล้วเดี๋ยววัดมันก็ตามมาเองไม่ต้องไปสร้างมันมาเองค่ะคำถามฝากฐานสากทางลายนะคะ การใส่บาตรแด่พระพิสุทสงฆ์นั้นควรแผ่เมตตาด้วยหรือไม่หรืออย่างไรครับการใส่นี่ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้วนะว่าเรามีความปรารถนาดีต่อพระใช่ไหมเรานี่ก็เป็นการแผ่เมตตาไม่ต้องมาสวดสัพเพสัตตาการสวดไม่ได้เป็นการแผ่เข้าใจไห ม, มการแผ่ต้องเกิดจากการกระทำเช่นญาติโยมเอาข้าวของเงินทองมาถวายพระนี่แผ่เมตตาแล้วส่งความสุขให้ให้กับพระแล้ว เวลาเพื่อนฝูงมีวันเกิดเราก็ซื้อของขวัญม้ให้เขานี่ก็เป็นการแผ่เมตตาเราให้ความสุขกับเขาใช่ไหมนั่นแหละการกระทำอะไรที่ทำให้ผู้อื่นก็มีความสุขนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาการสวดสัพเพสัตตนี่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสอนใจเตือนใจให้เราอย่าลืมการแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกันอย่าแยกเคี้ยวส่กันเวลาเจอกัน การให้ยิ้มพอยิ้มนี่คนเทนรอยยิ้มเราเขาก็มีความสุขเลถ้าเจอเราเห็นหน้าเราเบึ้งตึงนี่เขาก็เขาก็ไม่สบายใจขึ้นมานะถ้าอยากจะแผ่เมตตาต้องยิ้มต้องมีของขวัญของของแจกให้กันละกันเรียกว่าแผ่เมตตาหรือถ้าเขาทำอะไรไม่ให้เราไม่พอใจก็ต้องให้อภัยอย่าไปถือโทษกอดคือกัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้แล้ว ก็จะทำให้เขาสบายใจเขาไม่ทุกข์กับเราเราก็จะไม่ทุกข์เวลาเราแผ่เมตตาแล้วเราก็จะสบายใจแต่ถ้าเราอาฆาตปยาบารณนี้เราก็จะไม่สบายใจเราก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาก็ไม่สบายใจเขากลัวว่าเราจะม า, าทำร้ายเราเองขอให้เข้าใจว่าการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยกายวาจาใจ ด, ด้วยการกระทำและต้องมีผู้รับในขณะที่เราแผ่ ไม่ใช่ไปนั่งคนเดียวอยู่ที่ไหนในป่าแล้วก็แผ่เมตตาสวดสัพเพสัตตาอันนั้นไม่ได้เป็นการแผ่เป็นการสอนเป็นการเตือนใจเพราะเรามักจะลืมกันหรือไ ม, ไม่รู้วิธีแผ่เมตตาว่ามีอะไรบ้างวิธีแผ่เมตตามีอยู่สี่อเวลาโหนตุแปลว่าไม่จองเวรกันให้อภัยกันอัปยาปชาโหนตุว่าไม่เบียดเบียนกันอนิคาโหนตุให้เขาพ้นจาก ทุกกายทุกใจเกิ อ, อยากให้คนอื่นที่เขาทุกข์หายทุกข์กันแล้วก็สุขีอาตานางปะริหารัมตุขอให้มีคำขอให้ก็มีความสุขแต่เขาไม่มีความสุขก็ให้เอาความสุขให้เขาไปสิเนี่ยเอาของไปเอาเงินไปให้เขานี่เขาก็จะเกิดความสุขขึ้นมา น, นี่คือการแผ่เมตตา เ, เวลาใส่บาตรนี้ก็แผ่เมตตาอยู่แล้วในตัวไม่ต้องสวดสัพเพสตตา เอาเวลาโหดตุอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การแผ่คำถามจากคุณอารยาจับเตรียมอาหารทุกเช้าแต่ให้ลูกใส่แทนเพราะไม่สะดวกจะได้อันนสองผลบุญไหมคะอเราได้เพราะมันเป็นของของเราลูกไม่ได้หรอลูกเพียงแต่ได้บุญที่เกิดจากการช่วยแม่ใส่บาตรซึ่งเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นทานเป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่น แต่ก็เป็นการได้ฝึกฝนอบรมลูกไปในตัวฝึกนิสัยให้ใส่บาตไปในตัวพอต่อไปเวลาแม่ไม่อยู่แล้วเขาก็จะใส่บาตต่อได้ถ้าเขาก็ไม่เคยใส่บาตอะไรนี่เขาจะไม่ใส่พอแม่หยุดใส่แม่ตายไปเขาก็ไม่ได้ใส่แต่ถ้าเขาแม่สอนให้ใส่ทุกวันทุกวันต่อไปเวลาแม่ไม่อยู่หรือแม่เป็นอะไรไปเขาก็จะใส่แทนหน้าต่อไป คำถามจากดร็อปร KSP ระยะเวลาของโลกสวรรค์มนุษย์นรกจะเป็นอย่างไรอธิบายได้ไหมครับอ๋อมันก็เหมือนเวลาเรานอนหลับเนี่ยมันแป๊บเดียวเนี่ยเวลานอนนอนหลับแต่มันบางทีในโลกเวลาในโลกนี่มันเป็นชั่วโมงนะเวลานอนหลับนี่ฝันไปเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเหมือนก็นกแป๊บเดียวแต่เวลามันผ่านไปต้องเจ็ดแปดชั่วโมงนี่เฉพาะเวลาที่นอนหลับนะ เวลที่ไม่มีร่างกายก็เป็นเหมือนเวลานอนหลับแต่มันจะนอนหลับยาวเพราะก่อจะมาตื่นอีกทีก็ตอนที่ได้ร่างกายอันใหม่ตอนที่มาเกิดใหม่เนี่ยระยะเวลาของโลกอื่นที่เราจากเวลาเราจากร่างกายนี้ไปมันก็ไม่แน่นอนก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีไม่รู้ว่าจะเป็นมียุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ดังั้นอย่าไปกังวลเรื่องเวลามเวลาเลยมันไม่มันไม่เป็นประเด็นสําคัญให้ กังวลว่าเราจะไปไหนต่อเวลาที่เราตายจะดีกว่าแล้วก็ให้เรารู้วิธีที่จะพาให้เราไปที่ที่เราควรจะไปหรืออยากจะไปกันก็คือที่ที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าสุขคติสุขคติก็มีตั้งแต่ที่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ไปสวรรค์ชั้นพระอริยะเจ้าสวรรค์ของพระพุทธเจ้าไปสุขคติแบบนี้ดีกว่า แล้ววิธีที่จะพาให้เราไปได้ก็คือให้เราทำทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆนี่คือเหตุที่จะพาให้เราได้ไปสู่สุขติกันให้รู้แค่นี้ก็พอส่วนระยะเวลามันจะกี่ปีกี่เดือนมันไม่สำคัญเวลาเรานอนหลับไปนี่เวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงเราไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่สนใจเวลานอนหลับขอให้เราฝันดีก็พอที่ฝันร้ายกันก็เพราะเราไปทาบาป ก, กัน ถ้าเราเนาะถ้าเราทำความดีเราก็จะฝันมีแต่จะฝันดีไปเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติกันคําถามจากคุณวิบูลนการทําจิตไม่หวั่นไหวต่อสรรเสริญนินทาทําอย่างไรครับก็ต้องทําให้เป็นอุเบกขาต้องนั่งสมาธิบ่อยๆให้จิตเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจะมีมีอุเบกขา<อ>แล้วต่อไปเวลาสัมผัสกับอะไรก็จะเฉยเฉยไม่ยินดียินร้าย คำถามศักคุณบัญชาการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิต้องทําคูบคู่กันไปหรือเปล่าครับหรือส่วนมนต์บทสั้นๆแล้วนั่งสมาธิได้ใช่ไหมครับ<ม>เวลานั่งจิตไม่ค่อยรวมทั้งเป็นชั่วโมงพูโทโธไม่หายไปต้องทําอย่างไรครับคือการสวดมนต์นี้เป็นอุบายของการฝึกสติเจริญสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะการที่จะนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ต้อง ควบคุมความคิดให้ได้ฉั้นสมมติว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิแล้วใจเรายัางคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนเพราะเวลาเราสวดเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อยู่กับบทสวดมนต์ไปสวดไปนานๆจะรู้สึกว่าใจไม่คิดแล้วหยุดคิดแล้วค่อยมาดูลมหายใจต่อหรือพุทโธต่อแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ถ้านั่งแล้วใจคิดก็อย่าพึ่งไปเนื่อง อย่าเพิ่งไปดูลมอย่าเพิ่งไปพุทธโทสวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานๆสวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยสวดมันจะทั้งมันเหนื่อยมันไม่อยากจะคิดแล้วไม่อยากจะสวดแล้วมันก็จะไม่อยากจะคิดแล้วเราก็สามารถดูลมต่อไปได้หรือพุทโทต่อไปได้คำถามจากควุณวิชาโรนรีตอนนี้นั่งสมาธิจิตมันก็ไม่ค่อยออกไปไหนอยู่กับพุทโท จิตมันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยไปไหนแล้วมันก็ยังไม่ดิ่งลงไปเหมือนพระอาจารย์สอนเลยนะเจ้าค่ะมันจะนานอีกไหมคะแต่พยายามจะไม่คิดไม่ให้เกิดความอยากดิ่งหรือจะเข้าถึงความสงบพยายามไม่ให้มันอยากก็พยายามให้อยู่กับพุทโธหดือลมอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่าไปสนใจอะไรทั้งหมดให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่รู้ไม่ชี้กับอะไรทั้งหมดเดินดูลมไปไม่ไม่รู้กับเรื่องราวต่างๆไป เราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆบางทีสติยังมีกําลังไม่มากพอมันก็เลยยังสู้กันอยู่คือฝ่ายความอยากมันก็อยากจะดึงจิตให้เราไปคิดฝ่ายสติก็พยายามพยายามหยุดให้เราคิดถ้ามันยังมีกําลังต่อสู้กันอยู่มันก็ยังจะไม่สงบต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมแพ้มันถึงจะสงบถ้าเรายอมแพ้เราก็ออกมา จากสมาธิออกจากการนั่งสมาธิถ้าก็ยอมแพ้จิตเราก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบมาอย่างนทําพยายามทำไปเรื่อยๆอย่าไปอยากให้มันสงบคำถามจากคุณพิชยาพงศ์ตัว น, นี้ค่อนข้างยาวนะคะพระอาจารย์ช่วงหลังเวลานั่งภาวนาพอเริ่มสงบจะมีอาการกระเพื่อมกระเพื่อมตรงหน้าอกลมหายใจเบาลงเบาลงและสั้นลงสั้นลงคล้ายจะไม่หายใจเกิดทุกครั้งแต่ผมก็ไม่ได้ตกใจหรือกลัวจะหายใจไม่ออก เพราะทราบอยู่แล้วว่าเป็นอาการอย่างหนึ่งของจิตก็จะสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวอาการดังกล่าวจะตั้งอยู่สัก 2-3 ถึงนาทีแล้วค่อยๆกลับเป็นปกติเองผมก็จะใช้ช่วงเวลาตอนนี้เริ่มพิจารณากายอัสสุภะขอเรียนถามว่าหากเราภาวนาจนชำนาญขึ้นเป็นลำดับอาการดังกล่าวจะปรากฏตั้งอยู่เป็นเวลานานขึ้นหรือไม่ครับและอาการดังกล่าวนั้นเรียกว่าจิตรวมแต่ยังไม่ถึงขั้นชานหนึ่งใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอกไม่ใชทั้งนั้นจิตยังไม่รวมจิตยังไม่สงบถ้ายังมีการอาการอะไรอยู่ก็ยังไม่สงบก็ไม่ควรที่จะทำอะไรไม่ควรไปพิจารณาทางปัญญาควรจะอยู่กับพุทโธไปให้เพ่งอยู่กับอันใดอันหนึ่งพุทโธอย่างเดียวหรือลมหายใจยอย่างเดียวไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเลย มีแต่ความว่างมีแต่สักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรปรากฏให้รับรู้พอถึงจุดนั้นก็ไม่ให้ทำอะไรไม่ให้พิจารณาทางปัญญาปัญญานี้ไม่ใช่ณนะไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่จะมาพิจารณาตอนที่นั่งสมาธิตอนนั่งสมาธินี้เป็นเวลาที่จะทำจิตให้นิ่งให้สงบเพียงอย่างเดียวถ้านิ่งสงบแล้วก็พยายามประครับประคองจิตด้วยสติให้นิ่งไปนานๆจนกว่ามันจะ ประคองไว้ไม่ได้มันถอนออกมาจากสมาธิแล้วถึงจะค่อยมา ค, คิดทางปัญญาต่อไปเวลานั่งสมาธิอย่าไปพิจารณาทางปัญญาถ้าจะพิจารณาไปทางปัญญาไม่ต้องไปนั่งพิจารณาเดี๋ยวนี้เลยเองแต่ว่าพิจารณาปัญญาโดยไม่มีสมาธิก็ไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความอยากได้การพิจารณาปัญญาเพื่อเอาไปหยุดความอยากแต่ถ้าพิจารณาแล้วรู้แล้วว่าความอยากไม่ดี แต่หยุดความอยากไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาถึงต้องทําสมาธิก่อนทําให้จิตมีอุเบกขาขึ้นมาก่อนพอจิตมีอุเบกขาแล้ ว, ลวเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญานี่มาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากทำแล้วมันจะทุกข์ไม่ใช่สุขสุขเดียวๆพอสุขนั้นหมดไปก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทน เพื่อจะได้ไม่ไปทําตามความอยากถ้ามีอุเบกขามีสมาธิก็หยุดไม่ทําตามความอยากได้ถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิก็ทนไม่ไหวต้องไปทําตามความอยากคําถามจากคุณไอซ์เบอรี่ถ้ายัางติดขัดทางโลกฟืดเพลิงทางการเงินทําให้ไม่มีกําลังใจปฏิบัติทางธรรมอยากจะเอาตัวเองให้รอดทางโลกก่อนแล้วกล มาปฏิบตัติควรแก้ไขความคิดแบบนี้อย่างไรให้มีกําลังใจกลับมาปฏิบัติอีกคะก็บอกว่าคนที่จะปฏิบัติเขาไม่ต้องใช้เงินทองหรอกเขาไปบวชกันถ้าไม่มีเงินทองก็ดีไปบวชได้เลยคนที่มีเงินทองไปบวชยากเพราะเสียดายเงินหัวเงินเยอะคนที่ไม่มีเงินเนี่ยสบายอย่างเราเนี่ยตอนที่เราบวชเรามีไม่กี่พันเลยแค่สามพันไปบวช ด, ดีกว่ากินมีข้าวฟรีกินบ้านอยู่ฟรีกัน มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่เลยไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินหาทองทำไมในเมื่อมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วใช่ไหมก็ไปปฏิบัติเลยซิไม่มีเงินทองให้ไปจะไปเสียดายอะไร ล, ล้อยากยังกลับจะไปหาเงินทองหามาทำไมเนะ่ยถ้ามาหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็ไปบวชไปดีกว่าไปบวชก็มีคนเขาเลี้ยงปากเลี้ยงทองราอยู่แล้วแล้วเราจะได้มีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่เลย เนี <Net> ่ยคุณกำลังโชคดีเนี่ยคุณไม่รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยเนี่ยเวลาสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยเป็นเวลาที่บวชที่ดีที่สุดง่ายที่สุดเวลามีเยอะมันสมบันแล้วมันหวงมันเสียดายใช่ไหมเวลาไม่มีอะไรเนี่ยสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยไปบวชดีที่สุดเนี่ย จากคุณกอบพงเคยไปนั่งสวดมนต์แต่รู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ทันเลยไม่ชอบสวดเราเราไปนั่งรู้ลมหายใจเฉยๆได้ไหมเจ้าคะอะไรได้ประโยชน์กว่ากัน อ, อ๋อถ้านั่งดูดมหายใจได้เฉยๆก็ไม่ต้องสวดล้วก็ไม่ต้องไปสวดกับคนอื่นไปนั่งคนเดียวนั่งอยู่ที่บ้านเราก็ได้นั่งในห้องนอนเราก็ได้ถ้าเรามีห้องแล้วมันปิดมิดชิดได้ยิ่งดีสมัยนี้มีเครื่องป่าอากาศก็เปิดเครื่องป่าอากาศปิดหน้าต่างปิดประตูล็อกประตู นั่งอยู่ในห้องคนเดียวไม่ต้องไปสวดการสวด น, นี้เป็นการฝึกสติเพื่อให้นั่งสมาธิได้แต่ถ้าเรานั่งดูลมได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปสวด น, นั่งดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็รวมเป็นเป็นสมาธิขึ้นมาคําถามจากคุณศิริรัตนาควรทําอย่างไรให้วัยรุ่นเยาวชนตระหนักเรื่องมัตธรรบาปสร้างกุศลชําระจิตให้ขาวรอบครับ ก็ทําตัวเราก่อนเป็นตัวอย่างนะทําตัวเราให้เป็นตัวอย่างแล้วเขาจะทำตามเราถ้าเราเป็นแบบพ่อปูสอนลูกปูมันก็ไม่มีวัน่ะสอนให้ลูกเดินตรงๆแต่ตัวพ่อเองก็เดินเฉไปเฉมาเนี้ยเราต้องเดินตรงก่อนเดินตรงแล้วคนอื่นเขาก็จะเดินตามเราคำ ถ, ถามจากคุณจงแจงเมื่อก่อนที่ถึงความตายจะกลัวรู้สึกแกว้ง พอระยะหลังพอเริ่มภาวนาเป็นแล้วเวลาเลกถึงความตายเฉยๆจิตไม่รู้สึกกลัวเหมือนเมื่อก่อนจิตมีพลังรู้สึกมีที่พึ่งคิดว่าถ้าตายก็อยู่กับสติไปถูกต้องไหมคะถูกต้องนะี่คือประโยชน์ของการมีสมาธิทําให้เราก้ามองความจริงได้ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตเรายังมีกิเลสอยู่นี่พอให้ไปมองความจริงคือความแก่ความเจ็บความตายมันจะกลัวมันจะหดหู่ขึ้นมา แต่ถ้าจิตมีความสงบแล้วมันจะไม่มีอาการเหล่านี้มันจะน้อมก็เอาความจริงเข้ามาสอนใจได้คําถามจากทางไลน์ค่ะการจะมรุธรรมต้องให้บารมีแต่ละประเภทเต็มก่อนหรือไม่คะก็ต้องทําไปให้มันได้ครบอะตอนต้นก็ทานบารมีก่อนทําทานได้ก็รักษาศีลได้ศีลบารมีพอศีลบารมีได้ก็จะได้อุเบกขาคือสมาธิบารมีต่อ จากอุเบกขาบารมีก็จะได้ปัญญาบารมีต่อเอาบารมีสห้าตัวนี้ถ้ามีศีลมีทานก่อนต้องทาทานก่อนทานบามีแล้วก็ศีลบารมีแล้วก็ไปเน่ฆัมมะบารมีไปถือศีล8ปดไปนุ่งขาวห่มขาวหรือนุ่งเหลืองหมเหลืองแล้วก็ไปนั่งสมาธิจะได้เกิดอุเบกขาบาลมีแล้วก็ไปจะฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาบารมีขึ้นมา คำถามจากคุณโ no น้ย์์จริงไหมจำเป็นไหมครับที่จะต้องเดินจงกรมและนั่งสมาธิให้เท่าๆกันเพื่อให้สมาธิและวิริยะนี้มีความสม่าเสมอกันอ๋อไม่จาเป็นหรอแล้วแต่เราจะพอใจอยากจะเดินมากกว่านั่งก็ได้อยากจะนั่งมากกว่าเดินก็ได้ขั้นตอนนี้ถ้าสติยังมีกำลังไม่มากนั่งจะนั่งไม่ได้นานก็ใช้การเดินเพื่อการการเสริมสร้างสติขึ้นมาก่อนก็อาจจะเดินมากมากก่อนแล้วค่อยมานั่ง ต่อไปถ้ามีสติมากนั่งได้นานขึ้นอาจจะเดินน้อยลงอาจจะดั้งมากกว่าก็ได้เป้าหมายคือต้องการให้มีสติเพื่อทําจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วมันจะนั่งได้นานถ้านั่งไม่ได้นานก็ลุกขึ้นมาเดินมาเจริญสติต่อคําถามจากคุณกลอยใจนั่งดูลมเป็นอย่างไรคะก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูที่ปลายจมูก เวลาลมหายใจเข้าก็รู้ว่ากำลังหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกดูตรงจุดที่ลมสัมผัสที่ปลายจมูกเพ่งอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอย่าไปคิดเรื่องอะไรถ้าอยู่กับจุดนั้นได้อยู่กับลมได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้ น, ส, น, นสิ่งนี้ได้จิตจะค่อยๆสงบลงไปแล้วรวมเป็นความสงบได้เต็มที่ต่อไปคาถามจากคศิรัตนาขอทราบวิธีพอ วิธีพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอย่างถูกต้องค่ะก็ดูดูเวลาที่มันเข้าไปในปากอาหารที่อยู่ในจานรูปลักษณะเป็นยังไงเวลาเข้าไปในปากเวลาที่เราเคี้ยวกำลังงานเลยอร่อยกับมันหน้าตามันเป็นยังไงถ้าไม่เห็นก็คลายมันออกมาแล้วก็ตัดเข้าไปใหม่หรือเวลาที่มันอยู่ในท้องแล้วหน้าตามันเป็นยังไง เวลาอาหารที่เราสา ح, พิถีพิถันแยกแยะอาหารคาวก่อนอาหารหวานมาทีหลังผ ล, ลไม้มาขนมมาเครื่องดื่มมาเวลามันไปรวมกันในท้องแล้วมันหน้าตามันเป็นยังไงพิจารณาแล้วเวลามันออกมาทางทวารหนักมันเป็นยังไงนี่คือเส้นทางเดินของอาหารดูไปเพื่อที่เราจะได้กำจัดความหลงความความอยากในอาหาร ถ้าอยากกินอาหารโดยที่ยังไม่ถึงเวลากินก็ให้คิดถึงเวลามันออกมาจากทวารหนักก็ได้มันก็จะทำให้เราไม่อยากกินเราก็จะลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องไปไปเข้าฟิตเนสเนี่ยให้เสียเงินเสียทองถ้าไปฟิตเนสไปออกกำลังกายเดี๋ยวมันก็หิวอีกอะเดี๋ยวมันก็ไปกินต่อกวิธีที่จะลดน้ำหนักก็อยากกินวิธีจะทาให้กินก็อย่าไปอยากกินวิธีทาให้ไม่อยากกินก็ต้องดูอาหารที่มันไม่น่ากิน อะ่าไปดูอาหารที่อยู่ในจานไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานแล้วมันก็อยากขึ้นมาแต่ถ้าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในโถส่วมมันก็จะไม่อยาก น, นี่คือวิธีพิจารณาอาหารคือให้เรากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายอย่า ก, กินเพื่อความอยากกินตามเวลากินตามความต้องการของร่างกายเช่นวันละมือ้อสองมื้อก็พอละถ้ากินเกินมากกว่านั้นแสดงว่ากินตามความอยาก ก็ต้องใช้การพิจารณาหารแบบนี้เพื่อจะได้ลดความอยากตัดความอยากลงไปแล้วต่อไปร่างกายจะไม่มีโรคภัยกล้เจ็บไม่มีโรคอ้วนตามมาอ่ตอไปมีคำถามอะไรท่จะถามอีกไหมครับพระอาจารย์คุณนักคนักพลครับขออนุญาตครับ คำเห็นที่ว่าพระที่ตกเข้าสู่กระแสพระนิพพานน้ำกามซึ่งเป็นเรื่องของสรีระร่างกายโดยธรรมชาติจะค่อยๆเหือดแห้งไปจนบรรลุอรหันต์จะหมดน้ำกามไปถูกต้องหรือไม่ครับขอภายครับไม่รู้เหมือนกันคุณลองไปปฏิบัติด้วยเองดีกว่าขอภายครับไม่เป <c oughs> ็นไรเราก็ถามได้แต่ถ้าตอบไม่ตอบก็ต้องพิจารณาดู <c oughs> ออไปถ้าไม่ได้เกิดกับตัวเองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องให้ตัวเองเป็นรู้กันเองดีกว่าโดยหลักแล้วน้ำกามันน่าจะหมดตั้งแต่ขั้นพอนาคามีไปพ ร, ระอนาคามีนี้ท่านตัดความอยากในกามได้เมื่อไม่มีความอยากมันน้ำกามมันก็ไม่ออกมาที่มันออกมาเพราะมันมีความอยากถ้าเราตอนนี้เราไม่มีความอยากมันออกมาไหมเนี่ยไม่ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดมีความอยากขึ้นมาหลายย่อยออกมาเนีัย ถ้าใครควบคุมความอยากได้มันก็จะไม่ออกมาพระนาคามีควบคุมได้เพราะว่าเห็นร่างกายทุกครั้งเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นซากศพไปเหมือนกับเห็นอาหารแล้วก็เห็นเป็นอุจระไปบางคนนี่กินอาหารไม่ได้เลยเพราะพิจารณาเห็นเป็นอุจระทุกครั้งเลยยังลยเกิดปัญหาเพราะมันเกินไปไงร่างกายมันต้องกินอาหารแต่พอจะกินอาหารกินไม่ลงเพราะไปคิดถึงอุจระ ก็เลยต้องหยุดคิดเวลาจะกินอาหารอย่าไปคิดถึงอุจจาระนี่แสดงว่ากินยามากเกินไปแต่ถ้าเวลาอยากกินซึ่งไม่ใช่เวลาที่จะต้องกินแล้วอยากกินเนี่ยต้องพิจารณาให้ให้เห็นว่ามันเป็นอุจจาระขึ้นมามันจะได้ไม่อยากกินแต่เมื่อถึงเวลาต้องกินเวลาเหมือนเวลากินยาเนี้ยกินอาหารให้กินแบบกินยาตอนนั้นก็อย่าไปพิจารณาให้มันเป็นอุจระเดี๋ยวมันกินไม่ลงเนี่ยความอยากมันจะทาให้ความ คามภาพที่เราไปคิดถึงเนี่ยมันจะทําให้เกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงภาพของอาหารที่น่ากินมันก็อยากกินคิดถึงคนที่น่ารักก็อยากจะไปเสพกามกับเขาแต่ถ้าไปคิดถึงซากศพของเขามันก็จะไม่อยากจะไปเสพกามกับเขาเราต้องหัดพิจารณาอัปสุภะดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอาการ 32, สาสองซากศพ10ชนิดเนี่ยดูไปเรื่อยๆแล้วต่อไปน้ำกามมันจะหมดเอง คำถามจากคุณเธอไม่เคยจะตายถ้ามีคนคิดปองร้ายเราควรทาตัวอย่างไรคะก็แ okay, ว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าถึงเวลาตายก็ห้ามมันไม่ได้ <Yeah. S 2> ถ้าไปอยากไม่ตายจะทุกข์ถ้ายอมตายแล้วจะไม่ทุกข์คำถามจากแม่นกจิ๊บจิบ๊ตอนนอนจะสวดมนต์ในใจจนหลับทุกวันโดนไม่ฝันจะตื่นเองในตอนเช้าถึงเข้าห้องพระ แบบนี้มีประโยชน์ทําให้จิตมีสมาธิไหมคะหมายว่ามาหมายเนะี่ยหมายก็ว่าเขาเขาเขาจะนอนและจะสวดมนต์ในใจจนหลับทุกวันโดยไม่ฝันะจะตื่นเองในตอนเช้าถึงจะเข้าห้องพระอะคะแบบนี้มีประโยชน์ไหมคะทำใี้จิตมีสมาธิไม่หรอกทำให้จิ ต, จตนอนหลับสบายนะถ้าจะมีสมาธิก็ต้องฝึกจนที่ยังไม่นอนหลับเนชะ่นทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี่ต้องฝึกสติไปสวดมนต์ไปทั้งวันอย่างเนี้ย แล้วเวลานั่งสมาธิจะมีสติทําให้จิตสงบได้แต่จะสวดเฉพาะตอนนอนนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์แค่ตอนที่นอนนะพอตื่นขึ้นมามันก็ยังไม่มีสมาไม่มีสติพอที่จะนั่งสมาธิได้คําถามเจ้คุณศีรัชดาการทานอาหารวันละมื้อทําให้รู้สึกหิวช่วงเย็นๆน้ําตาลในเลือดต่ําทำให้รู้สึกติดในสภาพวิววิวนั้นอยากอยู่ในสภาพ วิววิวนั้นในตอนเย็นความอยากนี้ผิดไหมครับถ้าอยากกินก็ผิดนะเพราะมันเป็นเป็นความอยากถ้ามันวิวววก็กินอะไรนิดหน่อยก็ได้กินน้ําน้ําตาลน้ําอะไรน้ําหวานสักถ้วยหนึ่งก็ได้ถ้ามันรู้สึกขาดน้ําตาลแต่ความจริงมันเป็นกิเลสมากกว่าความความรู้สึกวิววิวมันหลอกให้เราอยากกินนะพระที่ท่านโอดอาหารท่านอยู่ในปา่าหนวงปู่มัานา น, นั่นท่านไม่มีอะไรท่านก็ อยู่ได้เพราะใจท่านสงบถ้าใจไม่สงบแล้วเดี๋ยวมันก็ปรงแต่งขึ้นมาเองว่าหิวหวขาดน้ำตาลก็อยากจะกินเดิมน้ำตาลขึ้นมาเองแต่ถ้าเราเกิดไปหลงอยู่ในป่าแล้วไม่มีข้าวกินจะอยู่ได้ไั้ยอยู่ได้ใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรจะกินอน่ะมันจะหิวยังไงมันก็ <laughs> <laughs> มันไม่มีให้กินอย่างนั้น หมดนะใกล้เวลาเลยข่านาทีมค่ ะ, คะย่างหาลาซองนะคะอ่า อ, อย่างเช่นเวลาหนูไปวัดนะคะแล้วจะมีการใส่บาทนะคะแล้วส่วนใหญ่อะคะ่ะคนส่วนใหญ่จะใช้เดี่ยนบาตระคะ่ะอ่าใส่ในโรงในบาทเนะะี่ยถือว่าผิดไหมคะตามหลังแล้วไม่ควรให้เงินทองกับมือกับพระแต่อยากจะเทาเงินเทาให้เท า, ทาต้องแยากไว้แล้วเพื่อจะได้ให้พระเขาฝากไว้กับลูกศิษย์อีกทีน พ๋อพระอุจจาระไม่ต้องการให้พระพกพาเงินทองมีเงินได้แต่ต้องไม่ไม่ไม่ไมพกพาไม่เก็บไว้ครอบครองให้ฝากลูกศิษย์ไว้ยันทางวัดเขาสมัยนี้มันมีวัดสองแบบเป็นวัดที่รับเงินได้กับวัดที่ไม่รับเงินยันถ้าเราไปที่วัดเขารับเงินเขาก็เขาก็ถือว่าเป็นปกติแต่วัดที่เขายังถือว่าพระไม่ควรที่จะรับเงินลุกับมือเอง ถ้าจะรับก็ต้องรับแบบให้ลูกศิษย์เขาเก็บไว้ดูแลรักษาไว้คืออย่างหนูไปทำอะค่ะที่วัดอะค่ะแล้วเหมือนเด็กวัดเขายื่นซองมาให้แล้วหนูก็บอกว่าหนูไม่ใส่ได้ไหมคะขอถาวายสัมฆทานกับของใช้จาเป็นแล้วเขาก็โมหูหวายๆบอกว่า เ, เดี๋ยวพระจะอ๋อก็แสดงว่าพระโลกอยากได้เงินงนั้นก็ ก็แสดงว่าไปปิดไปไปไปผิดวันล้วอาจจะไม่ได้ไปเจอพระไปเจอแพะนะอีกคำถามค่ะเรียนถามพระอาจารย์อย่างพวกหนุ่อะค่ะไม่ได้เป็นผู้หญิบแต่ตัวหรือผู้ชายแต่ตัวอย่างเงี้ยจะสามารถกดได้ไหมคะโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางร่างกายแล้วค่ะคือเราไม่ทราบว่ามีข้อห้ามหรือเปล่าครับว่าหมดก็มีข้อห้ามคนที่ก็เรียกอะไร มันเดอะอะไรบอดอะนี่ไม่ทราบว่าเป็นคนประเภทสองหรือเปล่าเพราะว่าที่ที่ห้ามเพราะว่าต้องอยู่กับผู้ชายแล้วถ้าเรายังมีความชอบผู้ชายอยู่มันอาจจะเกิดปัญหาได้เราอาจจะไม่สามารถรักษาศีลของพระได้เขาเลยไม่อยากจะให้มามาอยู่ร่วมกับผู้ชายพระนี่จะอยู่ร่วมกันเฉพาะผู้ชายแลวสามารถบวชชีพา ก็ได้<ท>ถ้าทำบวชชีบวชอะไรนี่ได้อยู่เพราะไม่มีข้อห้ามทางเรื่กที่โกนหัวนะคะได้ได้ได้บวชชีโกนหัวถือศีลแปดศีลสิบไปนี่ไม่มีข้อห้ามได้อยู่แต่ถ้ามาบวชเป็นพระนี่เขาห้ามเพราะเขากลัวแล้วเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายขึ้นมาเวลาอยู่ใกล้กันเพราะพระบางทีอยู่ด้วยกันอาบน้ําแต่ไม่ได้ป่วยโกงป่วยกายอะไรงี้ด้วยกันเดี๋ยวมันเห็นกันแล้วมันอาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ แต่ถ้าถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรนั่นก็ก็บวชได้ปฏิบัติทําได้ไปถึงนิพพานได้ถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เพียงแต่เราไปอยู่ร่วมอยู่กับเขาไม่ได้เท่านั้นเองซึ่งเวลาปฏิบัติจริงๆภาคก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันเทวาหน่งภาคบนเขานี่มาถึงเขาก็แยกกันไปอยู่คนละจุดกันมันมาร่วมกันเฉพาะที่ต้องมาทากิจวัตรพร้อมกันเช่นไปบิณธบาน มากราบถูสารากราบลานวัดเท่านั้นเองพอเสร็จแล้วก็แยกกันไปยันอันนี้นไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญขอให้เรามีศีลสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติศีลได้ปฏิบัติสมาธิได้ปฏิบัติปัญญาได้เราก็บรรลุธรรมได้เพิ่มีสี่คำถามครัอาจารย์เอาไนมะ่ไมเอานาะพอนั่งเลยนะไ <laughs> ว้พรุ่งนี้กันลนะกันพอดีหมดเวลาจะถามพ่อได้ไหมครับ เวลาภาวนาพุทโธไปแล้วเนี่ยแล้วคำมาภาวนาพุทโธมันหายไปมันเหลือแต่ลมหายใจเรายังต้องมาภาวนาพุทโธต่อไหมคะหรือว่าจับลมอย่างเดียวจับลม อ, <ๆ S 3> อ, อย่างเดียวก็ได้ดูลมต่อไปแล้ว<ร> <ๆ S 3> ไม่ภาวนาพุทโธเลยถ้าขึ้นใจได้ได้ได้เอ า, อ ย, าอย่างเดียวอย่างใดยอย่างนึ่นะคะคืออย่าไปคิดมีไว้เพื่อไมให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งเองแล้วก็อยู่มันไปจนกว่าจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบแล้วลมก็หายไปเหลือแต่ผู้รู้ก็อยู่เฉยๆไปได้ หายไปก็ให้รู้อยู่ว่าไม่ว่างมันให้อยู่กับความว่างไปถ้ามันไม่คิดก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบแล้วจะมีความสุขแล้วมันก็จะสบายนะเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ